เออเป็นวัตถุทานวัตถุทานคือดอกไม้นี้เวลาเอาดอกไม้บูชาพระผู้มีภาคเจ้าบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยต่อตัวดอกไม้เป็นตัวให้ผลใช่ไห ม, ไมอะไรเป็นตัวให้ผลเนเอเจตนาเป็นตัวกุศลกรรมอกุศลตัวกุศลกรรมอยู่ไหมเจตนาที่เป็นไปกับกุศลกรรมคือจิตที่คิดจักอะไรเจิตที่คิดจักบุจักให้กับบูชาเนี่ยเดียวกันไหม ให้ให้โดยการคิดจากบูชากับให้เพื่ออนุเคราะห์ก็ต่างกันใช่ไหมอันนี้ให้ด้วยจิตที่คิดจากใช่เป็นทานไหมเป็นทานหรือไม่เป็นทานให้เป็นทานได้ไหมเอาถ้าถือดอกมาอย่างนี้เข้าไปบูชาพระเจ้าอันนี้เป็นทานกุศลหรือเป็นศีลกุศลหรือเป็นภาวนากุศลเป็นอะไรดี ในขณะที่เดินไปและจิตที่คิดจะไปบูชาพระเจ้าจะไปถวายพระเจ้าเดินไปอย่างนี้เขาเรียกกายกรรมที่เป็นกายกรรมที่เป็นทานกุศลนะ แ, <c oughs> และในขณะเดียวกันก็ชวนประกาศบอกท่านทั้งหลาย <c oughs> ไปบูชาพระพุทธเจ้า <c oughs> บูชาพระธรรม <c oughs> บูชาพระสงฆ์ด้วยการเป็นต้นวาจาที่กล่าวอย่างนี้เรียกว่าวจีกรรมที่เป็นทานกุศล ไม่ทำกายวาจาเคลื่อนไหวจิตก็คิดนอบน้อมถวายดอกไม้นี้เป็นพุทธบูชาอย่างนี้เรียกว่ามโนกรรมที่เป็นทานกุศลเข้าใจยังเนี่ยเอาเป็นศีลยังไงพัฒนาต่อพัฒนาต่อเดินไปพิจารณาไปว่าการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระธรรม ของพระสามมาสมุทรเจ้าบูชาอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี้เป็นประเพณีเป็นวงเป็นตระกูลของบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บูชาพระุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ใช่ไหมสาวกของพระพุทธเจ้าแม้เราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามวงตามตระกูลตามประเพณีเป็นจารีต mm. กายกรรมที่เป็นไปในลักษณะเดินไปอย่างนั้นก็เรียกกายกรรมที่เป็นศีนลกุศล บอกคนอื่นว่าท่านทั้งหลายไปประพฤติปฏิบัติตามวงตามตระกูลของพวกเราทั้งหลายของพระเจ้าของเราในฐานะเป็นบริษัทของพระเจ้าเชิญชวนกันไปในลักษณะอย่างนี้วจีกรรมเป็นไม่ทํากายวาจ่ายเคลื่อนไหวน้อมระลึกถึงว่านี้เป็นวงนี้เป็นตระกูลนี้เป็นประเพณีของเราอันนี้มนโนกรรมเป็นศีลกุศลเข้าใจยังเนี่ย พัฒนาไปสู่ภาวนากุศลได้ยังต่อไปทำยังไงทำยังไงเนี่ยถามว่าในชีวิตจริงเราเดินได้แบบนี้ ไ, ไหมได้ไม่ได้เคยคิดแบบนี้ไหมจริงจริงในชีวิตจริงเราคิดแบบนี้ไหมทำไมไม่คิดให้ติดต่อโอ้อายุกับมากเลยต้องเรียบชํานานแล้วก็ ข, ขนาดไหมแล้วเราจะทำยังไงเราคิดคิดไม่ปฏิปต่อได้เลย คิดแล้วก็ติดเลยคิดแล้วก็ติดอย่างนี้เลยหน้าหน้าเป็นห่วงนะบางทีเรากำลังคิดนี่นะคิดคิดคิดปุ๊บอะไรก็มาแทรกตัดคิดคิดไปนิดเดียวอะไรมาแทรกตัดถามว่าเคยเห็นคนขับรถไปเร็วๆแล้วก็เบรกไหมแล้วก็เบรกเป็นระยะเบรกเป็นระยะเบรกเป็นระยะเงี้ยนหน้านั่งไม่รถอย่างเงั้แล้วมันจะไปถึงจุดหมายไหมเนี่ยเบรกมากกว่าคิดเนี่ย แล้วนักเข้าหนักเข้าเลยไม่ยอมขับต่อไปเลยไปเรื่องอื่นเลยทีนี้แล้วก็จอดแช่อยู่งั้นแล้วเมื่อไหร่จะถึงที่อ่ะไมยอมเหมียวไม่ถึงแล้วถ้าอยางั้นจะมาฟังธรรมนี้ได้ไหมเนี่ยมายงเดียมเนี่ยไม่ได้เลยนี่มันการความคิดเนี่ยที่กระท่อนกระแท้นเนี่ยมันเดินทานกุศลไม่ได้เดินศีลกุศลไม่ได้แล้วจะพัฒนาสุภาวนากุศลไม่ได้นล้วไปยังไงเนีก็ติดขัดอยู่เงี้ยเดี๋ยวความง่วงก็มาแทรกทีหน้ามิาะก็มาแทรกไม่ยอมนวล มันแทรกเป็นระยะมันตัดเป็นระยะตัดเป็นระยะเนี้ยฆ่าตัวเองแท้ๆเลยเนี่ยมันไม่เปิดมันไม่ไปอ่ะทําไงล่ะอึดอึดอึอยู่เนี้ยนะก็มาดันทุลังกันอยู่เนี้ยแล้วอกุศลมีกําลังมากกว่าด้วยเอาทํำยังไงเนี่ยอันตรายไหมเนี่ยชีวิตที่อันตรายมากชีวิตที่อันตรายมากแล้วเมื่อไหร่จะพ้นทุกข์มันคิดไม่ยาวอ่ะคิดต่อเนื่องไม่ได้อ่ะ มีบาปมาแทรกเป็นระยะระยะแล้วคิดไปไม่ต่อเนื่องด้วยคิดทานกุศลก็ไม่ยาวด้วยเอาเีนี้คิดแต่แป๊บเดียวแป๊บเดียวแปบ๊แปบเดียวทีนี้ในกรณีอย่งการให้เนี่ยให้ด้วยศรัทธาไหมเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยแค่ไหนศรัทธาเราแค่ไหนเพิ่มศรัทธาแข็งแกร่งไหมให้ด้วยนอบน้อมไหมใช่มเป็นสักกาจะทานไหมล่ะให้ถูกการถูกเวลาไหม ให้แบบอนุเคราะห์ไหมแบบสละขาดไหมให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นไหมให้เนืองนิดไหมขนาะให้จิตก็เลื่อมใสไหมให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกับยานปัญญาไหมสัพพลิสสถานแปดประการเดินในใจตลอดไหมในขณะที่เดินไปที่จะบูชานั้นนั้นต่อเนื่องไหมเนี่ยต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็แค่ทานนกุศลของเรานี่ก็แทบจะกระอักกระ่วนเงนขนาดนี้แล้วมันจะพัฒนาสุศีนได้ยังไง พระพุทธเจ้าแสดงแกอนาถาปิณิการเสดฐีแสดงทานนาถาก่อนนะแสดงทานนาถาใช่ไหมพอพัฒนาสู่ธา น, นกถาเบียเสร็จแล้วพอพัฒธานกถาทานากุศลแข็งแกร่งแล้วถามบอกว่าดอกไม้เป็นที่ตั้งของโลภไหมการคิดสละเนี่ยเป็นการทําลายโลภไหมเมื่อโลภถูกทําลายนี่อะไรเด่นขึ้นอโลภเด่นขึ้น และประมวลดอกไม้ทั้งหมดน้อมบูชาด้วยไหมเมื่อน้อมบูชาแล้วบ่อยไหมย้ําเตือนบ่อยๆไหมจนถึงอโลภะในดอกไม้ทั้งจักรวาลถูกทําลายได้จริงๆไะไม่เงยศีรษะขึ้นมามาอารวาสในใจได้เหรอเห็นดอกไม้เนะี่ที่ไหนโลภะเขาไม่ติดข้องเลยเอา้าวกเราน้อมถวายพุทธเจ้าแล้วก็น้อมซ้ําน้อมซากอยู่นั่นแหละเป็นอย่างนั้นจริงไหมไม่ถึงใช่ไหมก็ทําเสีย ก็เราไม่คิดใช่ไหมเพราะการให้อะต้องทําลายโ ล, โ, ลโลพาในวัตถุทานให้ได้จะต้องทําอาโลพาให้เด่นขึ้นเราก็ไม่ประมวลออกมาเนี่ยก็ประมวลที่ก็ประมวลดอกไม้ดิใช่ไหมอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหน่วยหนึ่งของดอกไม้แต่เราจะเอาใจของเราประมวลเป็นตัวแทนของดอกไม้ทั้งหมดในจักรวาลเนี้ยน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทรมบูชาสั่งกระ บ, บูชาสิ ประดาพุทธคุณว่าพุทธญานของพระ พ, พุทธเจ้ามีมากพุทธเจ้าพุทธญานของพระพุทธเจ้านั้นอะโลกธาตุมีเท่าไหร่พุทธญานก็มีเท่านั้นพุทธญานมีเท่าไหร่โลกธาติก็มีเท่านั้นในโลกธาตุทั้งหลายมีดอกไม้ปรากฏอยู่เท่าไหร่เราก็จะประมวลเอาดอกไม้ทั้งหมดนั่นแหละบูชาพุทธญานของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นด้วยเพราะเราเริ่มเห็นความงามของพุทธคุณทั้งหมดแล้วก็จะอาศัยดอกไม้แหละบูชาคุณของพุทธญานของพระพุทธเจ้าพุทธคุณของพระพุทธเจ้าอย่างไม่จบไม่สิ้น นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราทำอย่างนี้สิได้ไหมพอเราเห็นดอกไม้นี้เราจะระลึกได้ไหมอนุสติจะชัดไหมจ้าค่ะอนุสติจะชัดไหมชัดเลยเห็นดอกไม้ก็น้อมบูชาเลยไม่ใช่โอ้สวยดีจังดอกไม้นี่หอมดีจังย่งเลยเอย่างเงี้ยเราไปเก็บของคนอื่นเนี่ยก็จะจับเอา เข้าใจแล้วก็ น, น้อมก็สีที่เห็นเกิดจากบุญของเรามันเกิดจากบุญของหลวงเราเนั่นแหละก็น้อมผลบุญที่เราเห็นนั่นแหละเอาบูชาซะที่จะให้กิเลสมันเกิดมาอ า, อาละวาดทําไมลูกเรียนอภิธรรมมาตั้งนานไม่นั่งคิดเดี๋ยวถอนใบอภิธรรมมันเดิตออกซะเลยนี่เข้าใจว่า <c oughs> <c oughs> สีที่เห็นเนะี่ยเกินอยากบุญก็หรเปล่า <c oughs> เป็นผลบุญไหม <c oughs> เราทํามาไหม เออ แ, แล้วเราจะให้กุศลชาวนะหรือเอากุศลชาวนาเกิดต่ อ, อกุศลชาวนะเรานะจะให้พุทธเจ้าได้ไหมไก็ให้เสียจะเป็นบาปไห ม, ไมก็เป็นบุญที่เราทํามาทําไมต้องให้ความโลภมาอรารวาสเพนผ่านก่อ น, อนล่ะก็เอากุศลนั่นแหละน้องถวายเป็นพุทธบูชาไปมันของสมมุติกันทั้งนั้นแหละมันจริงๆแล้วมันใครเป็นเจ้าของกันแน่เนี่ยโลกใบเนี้ มันก็มาจากกรรมของสัตว์ใช่ไหมก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้กันอยู่นี่แหละมีอะไรหรอกแต่มาเหมือนจะพูดไปแล้วก็เรื่องกฎหมายก็คือกฎหมายไม่ใช่บุญที่ไหนหลอกแต่ผลบุญเน่ยสัตว์เดรัจฉานมีที่อยู่ไหมสัตว์เดรัจฉานก็มีสีไหมตื่นขึ้นมาก็มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีสิ่งแวดล้อมไหมคนขอทานมีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งแวดล้อมไหมคนนอนใต้สะพานมีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและสิ่งแวดล้อมไหมคนอยู่ในรถมีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งแวดล้อม คนอยู่บัดศาสราชวังมีสีเสีย ง, ยงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งแวดล้อมไหมเห็นไหมก็แค่นั้นเองเลยแต่บัญญัติกันต่างกันแค่นั้นเองแต่มันปรนนีดกว่าการมันหยาบกว่าการมันละเอียดกว่ากันอะไรก็ว่ากันไปส ร, รุปก็คือสีเสีย ง, ยงกลิ่นรสสัมผสัสผลของบุญบ้างบาปบ้า ง, างก็น้อมบูชาเสียก็คิดให้ออกอ่านตำราอย่างที่อ่านเล่มเดียวกันแต่บางคนคิดไม่ได้เข้าใจไหมไม่รู้จะคิดยังไงใช่ไหม ต้องหาหาคนที่เขาเข้าใจเนะี่ยบอกอย่าไปกลัวแลืไปรักขโมยสีใครกันไหนที่ไหนลอง <c oughs> น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเสียกิเลส จ, จะได้ไม่เกิดวิจิกิจฉาในบุญเนีเ่ยเยอะเหลือเกินแต่วิจิกิจฉาในในบาปไม่ค่อยสงสัยกันเลยนะเออประหลาดแท้ให้บาปเกิดทั้งวันไม่สงสัยเลยว่าจะตกนรกเนี่ยนะ ไม่สงสัยเลยยังบอกก็จะตกได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ก็าบอก ง, งั้นเนะี่ยเขาไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรเนะี่ยเขาจะนั่งโลภทั้งวันก็เป็นเรื่องของเขาเนะี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะเขาไม่รู้นะล่วงกรรมบวชตั้งเยอะแยะใช่ไหมคิดโลภอยากได้ของเขาเอาของเขามาเป็นของตนมันก็เรียบร้อยแล้วกรรมบวชขาดเนะี่ยโกรธประทุษร้ายเขาอยากให้เขาวิบัติเนะี่ยกรรมบวชมันล่วงกันไปแล้วเนะี่ยทำไงลนะ่ะ ไอ น, นี้ตกนรกนี่เนะี่ยกรรมแบบเนี้ยแต่ตนเองบอกไม่ได้เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปฆ่าใครนี่ไม่ใช่ไปลากทรัพย์ใครเนี่ยเราก็นั่งโกรธนั่งโลภอย่างเขาไม่รู้เนอะตอนนั้นนะ่ะอกุศลกรรมมาบดมันล่วงไปแล้วทางมนโนกรรมเข้าใจป่ะกรรมประเภทนี้นำมาบายทุกติวินิบาดนรกเนะั่นนะ่ะมันนั่งซึมซึมเสืมเสืม ซ, ม ซ, มซาซาเนี่ยเรียบร้อยเลย <laughs> เรียบร้อยเลย <laughs> ลองอบายกันเยอะแยะเวเสียดใช่ไหมเพราะทํากรรมทางมนโนกรรมเนะี่ยภพราสัตว์โลกไม่เข้าใจ ก็เราไปดูที่กรรมรบดในมนโนกรรมเนี่ยไม่ได้ไปทําอะไรเขาเลยไม่ได้ไปทําให้เขาวิบัติเพราะการกระทาทางกายทางวาจาเลยเนี่ยทางใจเนี่ยอยจงชิบหายไปเถอะท่านผู้นี้ขอไปเนี่ยนะจงวิบัติไปเสียชิบหายไปเสียจงพังทลายไปเสียจะได้ดิบได้ดีเลยเงี่ยนะ เ, เรียบร้อย <c oughs> นี่ <c oughs> นั่นแหละคบกรรมรบท <c oughs> กรรมเหล่านี้นําอบายทุกขติวินิบัตินรกได้ในปฏิสนธิการ อันนี้ยังไม่ได้ล่วงคําพูดยังไม่ได้ล่วงการกระทํานะเอาเล่นใจประหารประหารกันเนี่ยแล้วทุกวันนี้การสอนให้วิกรรมวิตกแบบชนิดที่อย่างน่ากลัวใช่ไหมสอนเด็กให้คิดแบบไร้ขอบเขตเน่ยไรนะ้ like, ขีดจํากัดเนะี่ยสิทธิเสรีภาพคุณจะคิดยังไงก็ได้คุณจะเพอ้อฝันยังไงก็ได้แล้วก็คิดดูเลยน่ากลัวไม่น่ากลัวอหลักสูตรที่สอนกันแบบเนี้ยล่วงกรรมบทชถึงบอกมีลูกมีหลานไม่อยากให้เรียนทางโลกเราจะจับส่งบวชให้บวช จะได้รู้จักบาปรู้จักบุญใช่ไหมเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นเราจะไปส่งเสริมโรกหลานให้ตกนรกทําไมอ่ะใช่ไหมบอกเขาทุกวันเนี่ยลูกเอ้ยบวชเธอะลูกเอ้ยบวชเธอนันอยู่ที่เราใช่ไหมคุยนะครับแม่ถ้าลูกบวชนอนตายตาหลับ <c oughs> คุยทุกวันอะไรนะ้น้ําหยดลองหินหินยังก่อนใช่ไหมใช่ไหมก็พูดทุกวันที่บวชเธอลูกบวชเธอลูกบวชเธอลูก เรียบร้อยเจอหน้ากันแม่หน้าตายัางกับพระ <c oughs> โอ้ยใหม่เขาก็ไม่ชอบเลยนะแม่พูดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหข่มชีวรแล้วดูสวยจริงๆ <c oughs> แม่และชื่นใจและเปิ่มใจยังไงเนี่ยเรียบร้อยเลยนี่เราเราไปเราไปตั้งค่านิยมลูกผิดเราคิดว่าเรียนทั้งโลกแล้วจะดี ใครจะคิดวิจิตตกนรกได้มากที่สุดถือเป็นฮิโลๆๆๆๆก็คิดไปลำดับนั้นพระพูทมีภาคเจ้าแสงสอนอนุปพิกาถาก็คือสอนทานนักถาตอนนี้เรื่องทานเข้าใจยังพัฒนาไปสู่ศีลภาวนาอย่างเพิ่งพูดยังไกลๆๆๆยังไกลมากแต่ก่อนก็จะสอนสติปัฏฐานสอนไปสอนมาลงสู่ทานนะก็สอนอีกแล้วๆๆๆที่แรกมาเริ่มต้นศีลที่นี่แหละ ที่แรกก็ให้เอามามาแสดงไอ้สติปัฏฐานนี่แหละใช่ไหมแสดงไปแสดงมาถามไปถามมาทําไมก็ลองลดลงหน่อยสิลองลดลงหน่อยที่ลดมาสียังนั่งยิงองออยู่เลยเนี่ยต่อไปรดทานแล้วตอนนี้พูดเรื่องทานทานเป็นจาคานุสตีนะเป็นอนุสตีนะเป็นเป็นสติปัฏฐานนะเดีย๋ยไปพูดถ้าทานต่ําต้อยไม่ได้นะทานทําไมบรรุเนี่ยมาถาบินถามว่าทานกุศลทําให้เป็นสัมมาสัมปวิติยานได้เนะ ได้สัมมาสัมปวียาณ น, นะอยู่ไม่ใช่ของเล็กน้อยเพราะเราเดินทานกุศลไม่เป็นเราจึงได้มานั่งเป็นปุตุชนกันอยู่เนี่ยบุตรชนเป็นเพศที่เจ็บปวดไหม<อ>เพศที่เจ็บปวดมเวลาโทสะเกิดขึ้นเขาบกว่าอยู่นนในเพศของปีศาจบ่อยไหมปีศาจเขาสิงบ่อยไหมบ่อยเลยเลยแนั้นถ้าเราเห็นคนกโกรธแล้วบอกว่าเราจะกำจัดเพศปีศาจให้ได้ ไม่ใช่เขาเอ า, เอ า, เอาก้อนหินไปทุบหัวเขาเนบอกออกเดี๋ยวนี้นะออกเดี๋ยวนี้นะไม่ไมไมออกหรอที่จีอุบายอย่างนั้นไม่ไม่ได้ยิงสิงใหญ่เลยก็คือแสดงท า, ทานนะครับนั้นทานกุศลเนี่ยนะทานก็คือมีการให้เป็นลักษณะมีการสละมีการให้เป็นลักษณะกิตของทานกุศลก็กระทำลายอะไรดีทำล า, ายโลภะทาลายมัจฉริยะได้ไหม ถามว่ามัชชริยะเกิดกับโลภะหรือเกิดกับโทสะโ ท, ส ะ, โทสะเนี่ยทําไมเราทําไมเราเราต้องน้อมบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต้องการทําลายโทสะนั่นเองเพราะแล้วอย่างนะเวลาเราให้ของแกบุคคลใดเราก็จะทําลายโทสะในปฏิฆาหกคนนั้นได้ดูเอาที่ลองโกรธใครดีเราเนาะเอาของไปให้เขาดูเนี่ยเอาของไปให้ เมื่อเราโกรธใครเราไม่พอใจใครนี่นี่ยเราก็น้อมเนี่ยเอาของเนี่ยไปให้ให้เขาเลยฉะนั้นจะทําลายโลภะในวัตถุทานทําลายโทสะในปฏิฆาหกภูรับพออโลภะเด่นขึ้นอาโทสะคือใจก็ดีขึ้นใช่ไหมใจก็ผ่องใสขึ้นเป้าหมายคือต้องการกระชากอะไรให้เกิดผักดันอะไรให้เกิด ปัญญาปัญญาสมาธิเป็นเป็นดวงประทีปเพราะปัญญาเกิดยากหรือเกิดง่ายเหมาะนั้นทานกุศลเศรษกุศลเนี่ยดึงปัญญาเกิดได้ยากมากมากคนต้องเข้าใจเท่านั้นที่จะสามารถผลักดันอะโมหะหรือสัมาธิฐให้เกิดได้จริงๆเราไม่เห็นเหตุผลเราไม่เข้าใจเหตุผลมันไม่เหมือนการทำงาน ไม่เหมือนการเรียนหนังสือหรือไม่เหมือนกับการทํางานหาข้าวกินเนี่ยถ้าทําแล้วเนี่ยตอนเย็นเราจะได้เงินตอบแทนเขียนบทความนี้เสร็จแล้วเราจะได้เงินเท่าไหร่เนี่ยมันมองเห็นแต่สัมมาทิฏฐิที่เป็นกรรมรสกตาสัมมาทิฏฐิมันไม่เห็นผลประกอบเพียรกันทุกวนันทุกวันเนี่ยไม่เห็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นแหะเขาเรียกว่ากรรมรสกตาสัมมาทิฏฐิมันไม่เกิดเวลาทําปานติบาศ ฆ่าสัตว์เนี่ยเราเห็นไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราความเป็นผู้มีอายุสั้นการตกอบอายภูมิใช่ไหมการที่จะต้องประสบเพลิดเพศภัยเพราะการถูกตัดถูกตอนถูกฆ่าถูกทิ้มถูกแทงทั้งหลายมันจะปรากฏและอบายทุกขติวินิบาตนโรคจะปรากฏกับเราความเป็นผู้มีความอ่อนแอทังด้านกําลังความเสื่อมถอยแห่งสรีระทั้งหลาย ความเป็นคนขี้กลัวความที่จะต้องไปฆ่าตัวตายผลอย่างเบาอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยความเป็นผู้ที่แตกแยกมีกําลังน้อยมีโครคภัยไข้เจ็บเยอะอะไรตามมาความสติปัญญาทุบเล็งทั้งหลายจากการตัดจากการตอนทั้งหลายเนี่ยมันเห็นไหมละ่ะถ้าเห็นอย่างนี้จริงๆก็เรียกกรรมสกตาสมาทิถีมันเกิดขึ้นชัดศีลกุศลก็พุ่งโลดแล่นเลยเยอะมั้ยอันนี้โดยข้อแท้จริงมันไม่เกิดจริงในชีวิตเราเนี่ยถ้ามันเกิดจริงๆเนี่ยมันจะกลัวภยัยกลัวโทษ มันจะเห็นคุณมันจะเห็นคุณจริงๆและชัดเจนเะนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นการฟังธรรมเนี่ยเราไม่เห็นเราไม่เห็นหรอกว่าการสั่งสมสุตตะในการฟังเนี่ยเป็นการเพิ่มปัญญาอย่างไรเราไม่เคยถืออย่างการพระถือการบินฑบาตเป็นว่าจริงๆว่าท่านหิวอ่ะท่านหิวท่านจะต้องแบกบาตถือบาตรไปเช้าเนี่ยไปหาข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอทานยาจกวานิพกหรือคนดีคน มีฐานะใดๆก็แล้วแต่เอาข้าวมาใส่ท่านท่านไม่เคยคิดหรอกเพราะท่านหิวนั้นคนมาให้ความรู้ต่างๆท่ น, นึกตื่นเต้นใช่ไหมเราไม่เคยฟังพระธรรมแบบหิวความรู้หิวปัญญากันจริงๆนะว่าปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดเมื่อไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยมันดับหมดเลยนะชีวิตเนี่ยเราจะวิจัยยังไงจะพิจารณาอย่างไรจะเข้าใจพระธรรมคำสอนอย่างไรถ้าขาดปัญญาอย่างเดียวแล้วมืดบอด เราไปสําคัญว่าอ่านเองก็เข้าใจไงแต่มันคนละเรื่องกันเลยนะคนละเรื่องกับคนที่มาอธิบายคนมาแยกแยะคนที่มีความเข้าใจพอสมควรเนี่ยนะไม่ใช่ไปยกอะไมานะใครก็ได้ที่เขามีความเข้าใจในพระธรรมเนยถ้าเขามาอธิบายแยกแยะชี้แจงเหตุผลเนี่ยมันดีกว่าการไป น, นั่งอ่านหนังสือคนเดียวเป็นเดือนๆเนี่ยบางทีประโยชน์มันเกิดต่างกันเยอะเพราะในมุมแห่งการอ่านอย่าง ย, งยกตัวอย่างนะว่า พระพุทธเจ้าตัดอนุปุปพีกถาแกอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีบรรยายทานศีลสวรรค์อาทีนพความต่ำสามความเศร้าหมองของการมทั้งหลายแล้วทรงประกาศไอสง์ในการออกจากการขณะที่พระองค์ทราบว่านาถาปิณฑิกาเศรษฐีมีจิตอ่อนควรมีจิตอ่อนจิตปราศจากนิวรมีจิตสูงมีจิตเลื่อมใสแล้วจึงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นด้วยทุกข์ด้วยอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นี้เป็นต้นนะ่ย อนาถาปินตกเศรษฐีได้ดวงตาหนีลทมแล้ว น, นย่ออย่างเงี้อยอ้าวยอย่างเงี้ยแล้วก็นึกว่าเข้าใจแล้วพอไปแจกทานเป็นยังไงศีลเป็นยังไงอ น, นิสงค์ของกามอ น, นิสงค์ของทานศีลเป็นยังไงกามาคุณเป็นยังไงโทษของการมาคุณยังไงเมื่อเห็นโทษแล้วออกจะออกจากกามยะได้อย่างไรแล้วก็ประกาศอริยสัจจะทำเรื่งศีลอย่างไงเรื่องยาวไหมจริงๆแล้วแต่ท่านย่อไว้ ท่านไปนประกาศบางสูตรเข้าไว้อย่างยาวเฟื่อยเลยพะประกาศนี้พุ๊บเรก็อ่านอานกไม่มีอะไรว่างั้นนะแล้วก็วางแมกให้เข้าใจแล้วแล้วพูดได้ด้วยนะอ๋อพระพุทธเจ้าแสดงทานกถาสีและกถาสัขะกถ า, า, า, ก, ากามาทีนะว่ากถาเนกกรมานิสังสักถาสรุปลงโดยสามุ ก, กังศิเทศนาคืออริยสตรจะทุกสมุทยัยนีโหลดมาก ดวงตาเห็นทําได้เกิดขึ้นกับนาถาปินิกขาเสียทีแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึง่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นนักพวงก็มีการดับเป็นธรรมดาได้เป็นพระโสดาบาเรียบร้อยก็เล่ากันได้อย่างเงี้ยแต่ข้อแท้จริงแล้วอาคุณเดินทานกุศลเดินยังไงหงิกเลยไปไม่เป็นเลยทียนี้นั่งสุกเหมือนใส่เดือนเลยทียนี้ไปไม่เป็นแล้วใช่ไหมแต่ข้อแท้จริงเป็นแบบนี้มั้ยเดินไม่ได้แต่ข้อแท้จริงอา้าวลองถือดอกไม้ เดินทานกุศลให้ดูที่ไม่รู้จะทํำยังไงเลยเอาขอตัวแทนทุกคนสมมตินนเนี่ยนะเอาจะทํายังไงช่วยอธิบายหน่อยเอามาฟังกันเบ็ดเสร็จแล้วมีการอธิบายเลยเอามีใครกล้าอานหารยกมือขึ้นเอาทานทั้งหลายฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกล่าวเรื่องทานกุศลให้ดูเอาไมอามาไปนั่งฟังดีไหมยอมเอาถ้าลองให้คุยเรื่องบ้านเรื่องการมคุณเนะี่คุยเก่งนะตื่นตาตื่นใจแล้วก็นั่งคุยได้เป็นวันเลยเนะี่ย สมมติเราคุยเรื่องว่าโอ้วันนั้นโดนโกงอยอมนอบเนี่ยคุยถนัดเลยอ่ะเอาดิใช่ไหมคุยได้เป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมเล่าคล่องเลยอ่ะโอ้โหไปจ้างเขาอย่างนั้นเนะเ็าทำเขาโกงยอมเขาไปใหญ่เลยเดี๋นี้ใช่ไหมเห็นไหมเล่าเรื่องกามาคุณเนี่ยเราเล่าเรื่องถนัดแต่เล่าเรื่องพุทธคุณไปไม่ได้เลยเดยนี้จำไม่ได้จำไม่ได้ตลอดเลยอันนี้เกี่ยวความเข้าใจใช่ไหม เนี่ยทานกุศลกับนยิยคลักเดินเดียวกันต้องต้องมีความเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจเดินไม่ได้จริงๆใช่ไมเราคิดทานกุศลคิดไปได้นิดเดียวหลุดแล้วคิดไปได้นิดเดียวก็หลุดแล้วหลุดแล้วทีนี้ทานกุศลถึงบอกว่าสิ่งที่ทำได้ยากคือทำปัญญาให้เกิดแท้จริงอ่ะทำลายโลภะก็ยากอยู่แล้วที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดเจริญทานกุศลทาลายความโลภ ก, กันนะ แต่ได้หลักการใช่ไหมถ้าเราบางคนเนี่ยไปสอบกันมันได้ด้วยนะทานมีการให้ลักษณะรักษาปัจจุบันประธาฐานของทานกุศลเนี่ยท่องกันได้ปื๊ดเลยทานมีการให้เป็นลักษณะมีการทําลายโลภะเป็นกิจมีความสมบูรณ์อย่งพบชาติและความสิ้นพบชาติเป็นผลปรากฏใช่ไหมแล้วก็มีสัทธายะปิพระธาตุนางมีศรัทธาเป็นพระธาฐานท่องได้เลยแต่เป็นยังไงในรายละเอียดจริงๆแล้วบอกเอาแล้วทําลายโลภะ แล้วอโลภาทานเด่นขึ้นยังไงมันเด่นยังไงแล้วแล้วความต้าหนีถูกทําลายได้ไหมทําลายด้วยเพราะน้อมเราจะไม่จะไม่ขัดเครืองในปฏิฆาหกนะจะไม่ขัดเครืองในปฏิฆาหกเลยเอปกปกรต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของการพัฒนาจากทานสู่ศีลดังกล่าวแล้วทานกับศีเนี่ยอะไรทําง่ายกว่ากันอะไรง่าย ทานกุศลกับศีลกุศลนั้ง่ายกว่ากันนันไหนง่ายที่จริงถ้าพูดถึงเรื่องทานกุศลเป็นเรื่องการระดมนามรรมาทำนะการระดมนามรรมาทำที่เป็นไปกับกุศลเนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่งเลยแหละปริมาณของเม็ดของเม็ดของนามธรรมทั้งหลายที่เป็นอโลที่เป็นเจตนาทานที่เป็นอโลภาทานที่เป็นวัตถุทานทั้งหลายเหล่าเนี้ยต้องประณีตต้อง มากมายอย่างไรนั่นก็ว่ากันไปในรายละเอียดของสัปฤติสถานเนี่ยมีไม่ใช่น้อ ย, นยอในเรื่องในเรื่องของทา น, นากถานเนี่ยกล่าวไว้เช่นบางทีมันในรายละเอียดเนีอก mm hmm. ว่าอาคารตุกกาทานการให้ทานแก่ผู้ที่จะมาจากสถานที่ต่างๆอันนี้เป็นการละทานนะก็ต้องดูความเหมาะสมที่ท่านจารีกมาใช่ไหมอะไรเหมาะสมในการที่จะให้คำมิการทานก็คือทานที่ให้แกบุคคลที่เดินทางจะไปตามที่ต่างๆอนนใช่ไหม หมายความว่าให้ทานแก่ภิกษุสอ์สที่จะจาริกไปเป็นต้นคีฬานทานการให้ทานแก่นกคนป่วยไข้ทุพพิคทานก็คือการให้ทานแก่ผู้ที่ประสบภัยคือการอดอาหารนวาวพระทานการให้ทานมีผลไม้ต่างๆหรือข้าวที่เก็บมาจากต้นมาเขาเริ่มคิดเนี่ยบางคนอย่างที่บอกว่าพอปลูกข้าวปุ๊บพอเริ่มหว่านนี้เขาเริ่มคิดแล้วนะข้าวที่กําลังทั้งหน่อขึ้นมาเนี่ยเริ่มตึกแล้วปื้มใจเป็นปุบปั้บเจตนาแล้ว เราเห็นข้าวสารในถังเนี่ยปลื้มใจก่อนนี่ยังเออถ้าอย่างนั้นนะี่ยนะก่อนไปซื้อก่อนอะไรเนะี่ยคิดเลยอย่างเราเนี่ก็ยังดักเอากลางทางแล้วนนเนี่ยเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ให้แทงหน่อขึ้นเลยคนทํานาเนี่ยเริ่มโอ้โหเราจะให้ทานก็เริ่มดูแลเริ่มเอาปุ๋ยเริ่มดูแลน้ําคัดน้ําเข้านาตรวจ ด, ดูว่าจะพืช แล้วไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ใช่ให้ทานด้วยนะคนเป็นเนี่ยดูตามลบบปบผ้าเจตนาที่เป็นไปกับจิตที่ดีอะ<ม>แล้วจะใช้มหากุศลดวงไหนก็ใช้ได้ด้วยอ<ม>๋อเอาสินี่คนชํานาญจริงๆใช้อย่างนั้นจริงๆนะกล้าจะใช้มหากุศลดวงที่แปดไหมละ่ะอ่อนแอฉันท่าก็อ่อนวิริยะก็อ่อนจิตตะก็อ่อนปัญญาก็อ่อนอ่อนแอด้วยนะ เป็นอะไรนะประเภทอมกระแบบอ่อนกําลังหมดเลยอะ่ะและโดยส่วนใหญ่คนทําบุญกันประเภทอ่อนแอแบบนั้นไหมโดยข้อเท็จจริงอ่อนแบบนั้นไหมเห็นไหมเราก็อ่อนออนกันแบบนั้นแหละและในขณะที่ทําไปโดยส่วนใหญ่จะมีโลภะเป็นบริวารจะมีโทสะเป็นบริวารจะมีโมหะเป็นบริวารอยู่เนืองนิดเอาสิโดยข้อเท็จจริงเราอย่าลืมนะว่าเราอยู่แบบประเภททานต่ําต้อยนะนะจริงๆ ทานต่อมต้อยใช่ไหมเดีกยวข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นแหละบางทีเถียงกันนะทะเลาะ ก, กันในบ้านเนะี่ยยังให้ทานเนะี่ยเล่นกันเกลียวแล้วว่าเงี่ยกาดเออขอไป <c oughs> เล่นกันเกลียวเแบบปะเภทที่ทะเลาะ ก, กันใช่ไหมเดี๋ยวมากขัดแย้งกันก่อนพอให้ทานผ่านไปโอชื่นใจว่าเงี้ยได้ทำบุญเสร็จแล้วตรงนี้ก็ ท ร, รมาทานมีห้าอย่างให้สุราเพื่อประโยชน์แก่การกินไม่ใช่เป็นเป็นทานไหมถ้ า, ถ า, ถาเพื่อเป็นยารักษาโรคเป็นทานได้นะมโหฬสพละ่ะความสนุกเป็นทานได้ไหมให้มโหฬสพไม่ได้นะเพราไม่ใช่เพื่อการบูชาให้โคตัวผู้แก่โคตัวเมียผสมพันธุ์กันเป็นทานไห ม, ไมเห็นไหมไม่เป็นทานการให้หญิงแก่บุรุษเป็นทานไห ม, ไมเพื่อประโยชน์แก่การมาคุณไ ม, ไม่เลย แต่พระเจ้าไม่ได้ให้อย่างนี้ให้ภาพกิจกรรมที่ลามกเป็นประโยชน์แก่การมาคุณเป็นทานไห ม, ไมการให้อาวุธให้มีดเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่การทำทุจริตการให้ยาพิษก็ไม่เป็นทานนะเป็นอธรรมทานเป็นไม่เป็นไ ม, ไ, ม ไ, มไม่เป็นทานรู ป, ปรทานการให้สีสวยๆถามว่าดอกไม้นี่ให้สีเป็นทานได้ไหมน้อมเอาสีเป็นทานก็ได้สัทธทานก็คือให้เสียง ถวายอะไรดีระฆังคองนาฬิกาปลุกเนะเครื่องกระจายเสียงวิทยุการสวดมนต์เกี่ยวกับสารเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอระมานี้ให้เสียงเป็นทนานแทบทุกวันแล้วตตื่นขึ้นมาเนี่ยมาจะมีที่สวดพุทธทั้งสารนังกระชามีมากระลกจะก่อนจะบินบ่ายก็เปิดบูชาพระเจ้ า, าเอาน้ำอะไรบูชาดอกไม้บูชาของหอมบูชาเสร็จก็ไปบินทบาตอย่างเงี้ยเนี่ยนะ แล้วก็ทําแล้วเข้าใจทําแบบมุมเข้าใจแล้วรู้ด้วยเหตุที่ทําผลยังไงให้สัตธทานคันธานก็กลิ่นก็ให้ทุกวันให้กลิ่นเป็นทานรัศาทานก็ให้อาหารที่รส ด, ดีนะไปวินณบาตได้อาหารรส ด, ด, ดีมา